วันนี้วันนี้จะคุยอะไรอีกอะยมไม่ถามหลวงพ่อก็ไม่มีเรื่องคุยนะเพราะว่าบอกไปหมดแล้วเออบอกไปหมดแล้วรู้ตัวมีเรื่องเจ้าค่ะพาอาจารย์ถ้าหากยังมีคาถามอยู่ยังสงสัยไปเรื่อยก็ยังไม่ได้วางใช่ไหมเจ้าค่ะพ่ะอาจารย์ก็คงเป็นอย่างนั้นแหละนะ คือยิ่งถามเนี่ยมันก็ไม่จบแต่ว่ามันก็ต้องถามเพราะว่าบางคนเพื่อต้องการความมั่นใจว่าที่ปฏิบัติเนี่ยมันถูกไหมนะแต่จริงๆอ่เรื่องคำถามเนี่ยมันก็คือสังขารอย่างหนึ่งนะลองสังเกตซิว่าก่อนจะถามมันก็ยังไม่ถามแสดงว่าคำถามยังไม่เกิดพอถามปั๊บเกิดแล้วเกิดแล้วจริงๆที่เราเรียนธรรมะก็คือรู้เรื่องเกิดเรื่องดับนี่แหละ มันไม่ใช่รู้เรื่องอะไรหรอกอย่างสมม um, ติว่าภาคปฏิบัติเนะภาคปฏิบัติเนี่ยเนี่ยสมมติตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสมมติว่าโยมนั่งนิ่งนิ่งอยู่สมมติว่าจะเอาสติจะสมมติว่าจะเอาเรื่องการการพูดกับการหยุดพูดเป็นเป็นฐานที่ตั้งของสติเนาะสมมติว่าจะเอาเรื่องเนี้ยเรื่องพูดกับไม่พูดเนี่ยแหละเป็นฐานที่ตั้งของสติเพราะว่าในหลักสติปัฏฐานเนี่ยก็บอกว่าเมื่อพูดก็ให้รู้ว่าพูดเดี๋ยวทีนี้ไอ้ตรงข้ามกับพูดก็คือหยุดพูดะ ทีนี้ถ้าเราจะฝึกกรรมาฐานเรื่องพูดกับการหยุดพูดเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวเพียงแต่ว่ารู้อยู่ว่าตอนนี้ยังไม่พูดก็รู้ได้นะเห็นไหมมันรู้ได้นี่มันมีตัวรู้อยู่แล้วแล้วพอพูดก็รู้ได้แล้วก็หยุดแล้วก็รู้อีกแล้วพอพูดก็รู้อีกแค่นี้เห็นการเกิดดับของการพูดแล้วเห็นไหมมันไม่ได้ยากนะกรรมาฐานนะแต่ที่เรายากเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเหมือนกับว่า ยังไม่รู้วิธีคือสเปตปาเขาเหมือนกับว่าไม่รู้จะเอาอะไรเป็นฐานที่ตั้งของสติใช่อย่างสติปฐาน4ี่เนี่ยก็บอกว่ามีกายเวทานาจิตธรรมเป็นฐานที่ตั้งของสติแต่นี่คนปฏิบัติก็ไม่รู้ว่ากายคืออะไรเวทานาคืออะไรจิตคืออะไรธรรมคืออะไรก็ไม่รู้พอไม่รู้เสร็จตั้งไม่ถูกตั้งสติไม่ถูกแต่ทีนี้บางคนบอกว่ารู้แล้ว สติปฐานสี่มีกายเวทนาจิตธรรมแต่พอมาพูดถึงเรื่องกายอ่ะกายมันก็มีเยอะจะตั้งไว้ที่ตรงไหนเช่นฐานกายนะการเดินนี่เดินก็คือกายเป็นฐานที่ตั้งของสติได้การนั่งก็เป็นฐานที่ตั้งของสติได้การยืนก็เป็นฐานที่ตั้งของสติได้การนอนก็เป็นฐานที่ตั้งของสติได้อันี้มันมี4ี่อย่างเลยนะเนี่ยแล้วจะเอาฐานไหนมาเป็นที่ตั้งของสติ คนผู้ปฏิบัติเนาะก็สงสัยอีกทีเนี้ยเพราะฉะนั้นมือใหม่จริงเนี่ยมันก็ต้องฟังก่อนเนาะฟังเพื่อจับหลักให้ได้ว่าเออถ้าจะฝึกสติฐานกายเอาเรื่องไหนมาตั้งที่เอาเอาเอาอิทิยาบทไหนเป็นฐานที่ตั้งของสติบางคนก็เริ่มจากอา้าวเดินเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินนี่เป็นฐานที่ตั้งของสติแล้วเดินแล้วก็รู้ว่าเดิน พอเดินไปเดินมามันลืมใช่ไหมเขาเรียกว่าลืมขาดสติคือลืมไปว่าเดินทีนี้เมื่อลึกเมื่อมันระลึกได้มันก็กลับมากลับมารู้ว่าอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเดินอยู่ไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วนี่แสดงว่ามีสติรู้กายื่อนรูดรู้การเดินแล้วทีนี้ก็อยู่กับการเดินนี่แหละเดินไปก็รู้ไปแล้วพอมันลืมตัวมันก็ไม่รู้พอไม่รู้แล้วต่อมามันรู้ มันระลึกได้ว่าเอ้าเมื่อกี้เดินแล้วไม่รู้แต่ปัจจุบันมันรู้แล้วก็คือรู้แล้วแล้วก็มันกล้าหลงจะลืมจะหลงจะลืมอยู่อย่างเนี้ยจะหลงจะลืมอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้จักแล้วว่าหลงคืออะไรลืมคืออะไรอ่ารู้จักเพราะฉะนั้นมันก็ฝึกคือใหม่ๆก็คือฝึกอย่างเนี้ยคือฝึกรู้ทีละอย่างถ้ารู้เรื่องเดินก็คือรู้เรื่องเดินอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่น ถ้ารู้เรื่องนอ น, นเวลานอนก็ฝึกสติได้นะเออเวลานอนก็ฝึกสติได้ก็นอนอยู่ก็รู้อยู่อ่านอนอยู่ก็รู้อยู่แล้วมันก็เห็นตัวเองนอนใช่ไหมล่ะเออมันยากที่ไหนเห็นตัวเองนอนแล้วพอตัวเองนอนเนี่ยมันรู้หมดแล้วว่านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงนอนนอนนอนคุดนอนอะไรต่างๆมันรู้หมดเลยสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันทดลองเหมดครับว่าไปทดลองทําได้ว่ามันรู้จริงๆ แล้วรู้เป็นปัจจุบันด้วยนะเมื่อนอนมันก็ต้องรู้ว่านอนจะไปรู้ว่านั่งไม่ได้ทีเพราะว่านั่งมันไม่มีมันก็จะรู้ว่านอนแล้วก็อยู่กับการรู้ว่านอนอย่างเนี้ยอยู่รู้อยู่รู้เบาเบารู้สบายอะ่ะไม่ใช่ว่าไปเพ่งจ้องจนแบบอะไรเนี้ยแล้วพอนอนเสร็จยังไงล่ะนอนกระดิกนิ้วกระดิกเท้ากระดิกขาเห็นไหมก็เห็นรู้กายเคลื่อนไหวอ่าในท่านอนเนี่ยแหละก็นอนรู้กายเคลื่อนไหวกระดิก นอนเคาะเป็นจังหวะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กกระดิบนิ้วกะดิบเท้าเล่นเล่นเล่นเเนี่ยแค่นี้จิตก็อยู่กับกายแล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันถ้าพูดถึงเรื่องของการฝึกสติในเบื้องต้นเนี่ยนะยังไม่พูดถึงเรื่องปัญญาเนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากจริงๆหลวงพ่อเนี่ยได้ได้มาเหมือนกับว่าเรื่องฝึกก็พอเรื่องฝึกปั๊บมันรู้ตัวเป็นหมายถึงว่ายังไม่เกิดปัญญานะแค่รู้กายก็รู้แล้วอาอรู้แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ย นอนเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวเนี้ยมันจะรู้ตอนไหนเนอะยืนตอนนี้ก็รู้ตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยถ้าใครนั่งอยู่เนี่ยมันก็รู้ตอนนี้แหละมันจะรู้ตอนไหนนะแล้วก็เดินอยู่อ่สมมุติเดินอยู่เนี่ยมันก็รู้ตอนที่เดินแหละง่ายไหมง่ายจรอจริงนะถ้ามันไม่มีกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากอะเพราะว่าความอยากได้อยากมีอ่ะมันมันเป็นกิเลสแล้วมันก็ทําให้ไม่ไม่รู้ ทำให้ไม่รู้ความจริงในปัจจุบันเช่นบางคนเนาะพอบอกว่าฝึกสตินู่นอยากได้แล้วอยากได้ความสงบอยากได้จิตมันเนียงนะอยากได้ปัญญานี่ความอยากทั้งหมดเลยเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดเลยถ้าไม่อยากนะก็ซื่อๆอยู่แล้วเนี่ยนะในห้องเนี้ยนะถ้าสมมติว่าจะลองฝึกเบื้องต้นนะนะเนี่ยเอาสมมติว่า ลุงพ่อมันไม่เห็นภาพสิเนาะว่าตอนนี้ใครอยู่ในอีริยาบทไหนนี่ถ้าเป็นซูมนะมันก็ดีอย่างทุกคนเปิดซูมใช่ไหมแล้วมันก็เห็นหน้าตากันได้เราก็จะรู้ว่าตอนนี้แต่ละคนอยู่ในอีริยาบทไหนแล้วเราก็จะบอกเลยว่าอ๋อเมื่ออยู่ในอีริยาบทไหนก็รู้รู้ว่าอยู่ในอีริยาบทนั้นก็รู้รู้เล่นๆรู้เบาๆแล้วมันก็เผลอเป็นธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวรู้จักว่าเออเผลอคือยังไงรู้คือยังไง ใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้เราเริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อที่เขาบอกว่าเผลอกับรู้หรือว่าหลงกับรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้ความหลงมีจริงความรู้มีจริงแต่มันก็สลับหน้ากันเนาะมันจะพร้อมกันไม่ได้ขณะรู้จะไม่รู้ก็ไม่ได้ขณะไม่รู้จะรู้ก็ไม่ได้มันก็สลับกันคนละทีอ่าสลับกันคนละที เพรนั้นเราก็ฝึกไปฝึกไปเนี่ยเบื้องต้นคือคืออย่างเรื่องฝึกสมถะเรื่องส ม, มาธิเนี่ยก็คือฝึกแค่นี้แหละยังไม่ต้องรู้เรื่องไตรลักษณ์ยังไม่ต้องรู้อะไรเนาะแต่ทีนี้คนบางคนเขาฝึกนานแล้วไงฝึกนานแล้วเสร็จก็จะเดินปัญญาเดินปัญญาบางคนถ้าได้หลักแล้วว่าการเดินปัญญาคือเห็นตามความเป็นจริงของกายก็ได้เห็นความเกิดขึ้นบ้างเห็นความเสื่อมไปบ้างก็คือเห็นเห็นอะไรเห็นการเปลี่ยนของมันนะ เช่นถ้าดูการเคลื่อนไหวก็เห็นเท้ามันสลับข้างกันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นเนี้ยเห็นความไม่คงที่แล้วเปลี่ยนไ ป, ไปเปลี่ยนมาสลับแข้งสลั บ, ลบขาอหรือตัวเวลาเดินเนาะตัวมันคงแขงโยกเยกใช่ไหมมันก็เห็นการไหวหๆการเปลี่ยนคื อ, ค, อคือมันเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็แสดงว่าการเดินย่อมมีไม่ได้ถ้ามันไม่เปลี่ยนเนี่ยการเดินมีไม่ได้เพราะว่าเวลาเดินนี่แสดงว่ารูปเปลี่ยนแล้วอืก็สังเกตไปเห็นความเปลี่ยน แล้วเราก็จะเข้าใจในความจริงโดยภาพรวมว่าเออชีวิตของเราเนอะร่างกายเนี่ยมันไม่เคยเที่ยงเนอะมันเปลี่ยนรูปอยู่เรืเ่อยเเดี๋ยวรูปนั่งเดี๋ยวรูปนอนเดี๋ยวรูปยืนนี่ก็ เ, เรียกว่ารูปเปลี่ยนแปลงอืไม่ยากไม่ยากทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อย่างนี้ดีกว่าใครว่ายากแล้วก็ให้ลองคุยดีว่ามันยากตรงไหนหลวงพ่อก็อยากรู้เหมือนกันแล้วเราก็จะได้คุยกันว่าเออมันเป็นยังไง เอาเดี๋ยวเดยวให้ให้ยกมือนะใครต้องการจะจะคุยกันคุยเรื่องยากเรื่องง่ายก็ได้ <laughs> อะนั่นนี่นะยมยมบัดรยมบัดยัง ม, ม, ม, มีอะไรที่ต้องคุยกับหลวงพ่อไหมอ๋อไม่อ่ะจ้าพระอาจารย์แต่ว่าโยมเล่าสภาวะธรรมตอนนี้เอาเลยเพร<ะ><ะ>าะว่าด้วยความที่ยมเคยหลงด้วยความที่เหมือนกับยมอาจจะ ฟังแล้วก็เข้าใจมาก่อนก่อนที่จะมีสติตั้งมั่นคือยังไม่มีสมาธิแต่ว่ามีความรู้ความเข้าใจในที่พระอาจารย์สอนแล้วพอเวลาที่ฟังไปปุ๊บมันก็หลงเกิดอาการหลงขึ้นมาพอหลงแล้วขาดสติแล้วก็เหมือนกับพูดอะไรที่มันไม่เข้าท่าอย่างเงี้ยในขณะปัจจุบันเนี้ยยมก็ยังกลัวมันอยู่แต่ว่ารู้ว่ามันไม่ใช่การกระทําของเราแล้วมันเป็นการที่ กลัแล้วมันก็ทําของมันเองโดยอัตโนมัติด้วยการนั่งไปก็เคาะมือไปเคาะมือไปเพื่อไม่ให้หลงเข้าไปกับการฟังตั้งใจฟังจนกระทั่งหลงมาเจ้าค่ะผูา้อาวุโสจริงๆอาการต่างๆนะอาการต่างๆเนี่ยมันเป็นเองหมดเลยอันนี้เข้าใจตรงกันอยู่แล้วแหละอาการต่างๆเนี่ยมันมันเป็นเองนะแต่ทีนี้โดยโดยพฤติกรรมของ ของผู้ปฏิบัติเนี่ยบางทีก็ไป บ, บังคับไปฝืนซึ่งก็เป็นธรรมดาเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็ต้องบังคับอ่ะนะมันเหมือนกับว่าบังคับโดยสัญชาตญาณหรือโดยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องย่อมมีแต่การบังคับมันก็เป็นสังขารเพียงแต่ว่ารู้นะคือเหมือนกับว่าเอาสมมติ ว, ว่ามันเป็นเองไม่ต้องแทรกแซงไม่ต้องบังคับเลยอันนี้ก็รู้ได้นะเช่นหลวงพ่อเคยเคยพูดถึงเรื่องการลื่นล้มก็ดีอันนี้ เขาเรียกว่ามันเป็นเองแล้วก็รู้ด้วยว่าไม่มีการบังคับในสิ่งนั้นขณะที่มันเกิดแต่ก็รู้ได้แต่บางอย่างมันมีการบังคับเช่นนะเวลาลื่นนะลองดูนะเวล า, าเวลามันลื่นเนี่ยปกติมันลื่นมันก็ล้มแต่ในขณะที่ล้มเนี่ยมันมีการฝืนมีการฝืนมีการบังคับบังคับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยไอการบังคับอันนั้นมันก็เกิดเอง แต่ก็รู้ได้นะว่ามีการแบบบังคับอย่างเงี้ยเพราะนั้นที่เราเราฝึกสติก็คือฝึกให้มีตัวรู้ก็หมายความว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็เพียงแค่รู้บังคับก็รู้ไม่บังคับก็รู้เห็นไหมเท่ากับว่าเป็นการฝึกให้มีตัวรู้นะทีนี้เรื่องอย่างของเรื่องของโยมนะสมมติว่าโยมที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี่เนาะมันมีอาการอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วก็โยมก็การกระดิกนิ้วไอ้การกระดิกนิ้วเนี่ยบางทีเรื่องนี้มันก็จงใจใช่ไหมเป็นการจงใจเพราะว่าถ้าไม่จงใจเนี่ยบางบางทีมันอาจจะไม่กระดิกนิ้วอย่างนั้นก็ได้แต่การกร ะ, กระดิกนิ้วบางอย่างเนี่ยมันรู้เจตนาได้นี่ว่าอ๋ fucking. อนี่มีเจตนาเพราะนั้นตัวรู้มันก็ย่อมรู้เราเป็นอย่างดีว่าเราเนี่ยเจตนาหรือไม่หรือไม่เจตนาหรือไม่มันก็รู้หมดเพราะฉะนั้นถ้ามันรู้หมดก็คือถูกต้องหมดอ่า เจตนาก็รู้ไม่เจตนาก็รู้อย่าลืมนะเราฝึกให้มีตัวรู้นะเราฝึกให้มีจิตรู้เราไม่ได้ฝึกกายว่ากายอย่าทําอย่างนั้นกายอย่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ฝึกตรงนั้นกายเป็นอย่างไรก็คือรู้ตามที่มันเป็นเพราะฉะนั้นที่เราฝึกทั้งหมดคือฝึกให้มีตัวรู้อย่าลืมอย่าลืมอืมอ่ะทีนี้อ่ะมีตรงไหนอีกนะหลวงพ่อคุยจบประเด็นหมดหรือเปล่าที่ที่คุยมาเมื่อกี้ กระบ่ายุเจ้าค่ะพระอาจารย์ข็เข้าใจตามที่พระอาจารย์ได้ชี้แน่เจ้าค่ะระาอาารอย่างบางทีเวลามันมีความกลัวเนี่ยความกลัวก็คือเป็นสังขารที่เกิดเองแต่ทีนี้ด้วยพฤติกรรมของของความเป็นของมันอะ่ะเวลากลัวปับ๊บมันก็กลัวคือคือมันก็ต้องปรุงแต่งเนาะมันก็กลัวว่ากลัวจะกลัวมากกว่านี้มันก็เลยคิดที่จะมีอุบายแล้วก็มีการทําต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นสังขารหมดเลย แต่ทีนี้ไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็เห็นตามความเป็นจริงได้อย่างชื่อตรงอยู่แล้วว่าอ๋อมันกลัวแล้วพอกลัวเสร็จมันก็กลัวว่าจะกลัวมากกว่านี้แล้วมันก็มีพฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะไม่ให้กลัวมากกว่านี้แต่รู้อ่ะมันรู้หมดทุกชอ็อตนะมันรู้หมดทุกชอ็อตแต่การรู้อ่ะถ้าจริงๆรนะิะการรู้ที่ถูกต้องคือมันรู้เอง ถ้ามันรู้เองเนี่ยมันจะเบาหิวเพราะว่าอะไรไม่มีการตั้งรู้ <lag _ j> ไม่มีเจตนารู้ไม่จงใจรู้มันก็รู้อย่างซื่อซื่อแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้อย่างซื่อซื่อเราเอาตัวเราเนี่ยออกหน้าเอาตัวเราเป็นผู้รู้เอาตัวเราเป็นผู้เพ่งเอาตัวเราเป็นผู้จ้องมันผิดตรงเนี้ยเหมือนกับว่าแทนที่จะให้มันรู้อย่างซื่อซื่อเนาะแต่มันเอาตัวเราเนี่ย ชิงรู้เสียก่อนเออเอาตัวเราเนี่ยชิงรู้เสียก่อนเพราะกลัวว่าเราจะไม่รู้เนี่ยที่หลวงพ่อพูดเนี่พูดจากประสบการณ์เลยนะที่เล่าเนี่ยคือกลัวว่าเราจะไม่รู้กลัวว่าเราจะขาดสติเราก็เลยเหมือนกับว่ามีพฤติกรรมในการเพ่งในการจ้องแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่เพ่งไม่จ้องอ่ะนะมันรู้ได้เองอยู่แล้วนะก็ลองดูดิเวลาเราไม่เพ่งไม่จ้องนะมันรู้เองได้ไหมอ่ะอาสมมติว่า อะไรกระทบทางตาเนาะมันก็เห็นเองอันนี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องอายตนะเลยเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับการรู้เหมือนกันอะไรผ่านตานะถ้าถ้าไม่ปิดตาไม่ว่าจะฟ้าแล็บไม่ว่าจะติดเดียวถ้ามันผ่านตามันก็รู้ได้เห็นได้หรือมันจะเกิดขึ้นนานเช่นควาแล็บแบบบัวรัวๆมันก็เห็นนานหรือว่าไฟไฟรถใช่ไหมมันก็มันติดสองหน้ามันก็เห็นเลยการเห็นการรู้แบบนี้เห็นไหมไม่มีการแทรกแซง แล้วมันไม่มีน้ำหนักคืออะไรผ่านตาก็คือรู้เลย<ส>เห็นเลยแล้วก็เรื่องทางหูเสียงไม่ต้องตั้งใจฟังเลยไม่ต้องตั้งใจฟังเลยเดี๋ยวมีมีเหตุให้เสียงดังป่องปัองป่องปัอ ง, อ ง, องก็ได้ยินเองนะหรือถ้ามันไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่ถ้ามันได้ยินแบบเราไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องเอ า, เอ า, เอาหูไปเอ่หูฟังอะไรเนี่ย ให้มันได้ยินอย่างธรรมชาติแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีการตั้งใจที่จะได้ยินไม่มีการตั้งรู้แต่ก็รู้ได้ได้ยินได้นะแล้วก็ทางลิน้นทางลิ้นเนี่ยเอาอะไรมาแต่ที่ลิ้นเนี่ยไม่ต้องจงใจรู้ไม่ต้องเจตนารู้มันรู้เลยนะแต่ถ้าเราลองเอาเจตนาเอาคอยว่ามันจะรู้อะไรว่าเผ็ดหรือเปล่าวานหรือเปล่าอันนี้แสดงว่าเราตั้งใจแล้วแต่ถ้าไม่ตั้งใจนะจะเผ็ดจะหวานนะมันรู้เลยนะ เอาทีนี้รู้ทางกายอากาศเย็นอากาศร้อนอากาศหนาวไม่ต้องตั้งใจรู้พอมันหนาวหรือมันร้อนน่ะมันก็รู้เองได้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้อย่างไม่มีตัวเราเข้าไปแทรกแซงนะเอาแล้วรู้ทางไหนอีกทางใจรู้ทางใจอ่ะเวลามีสุขอ่ะรู้ได้ไหมสุขจังเลยสุขหนอสุขหนอมันก็รู้ได้นะหรือว่าเวลามีทุกเออมันก็รู้ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ เวลามันวิตกกังวลมันก็รู้ได้เวลาเบื่อก็รู้ได้เห็นไหมไม่มีการตั้งใจรู้หรือว่าเวลามันโหไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงมันรู้ได้หมดความง่วงความเบื่ออย่างเนี้ยต้องตั้งใจรู้ไหมว่าเมื่ อ, อไหรจะง่วงไม่ต้องเดี๋ยวมันง่วงแล้วก็รู้เองความเบื่อเนี่ยฟังธรรมะนานๆเนี่ยยศไม่ต้องตั้งใจรู้หรอกถึงเวลามันเกิดเบื่อมันก็เบื่อเองแล้วมันก็ออกจากห้องไป อย่างเี้ยเขาเรียกว่ารู้อย่างธรรมชาติไม่มีเราเป็นผู้เจตนารู้ไม่มีเราจงใจรู้แต่ส่วนมากที่ปฏิบัติมันผิดตรงนี้แหละจงใจแล้วพอจงใจรู้ก็ยังไม่รู้ตรงนี้อ่มเพราะว่าไอการเจตนาไอการจงใจเนี่ยมันมันไปปิดบงังไปปิดไปปิดบงังการทำงานของตัวตัวรู้ก็เลยไม่รู้ไม่รู้แจ้งไม่รู้อย่างธรรมชาติ อทีนี้ก้าก้าหน่อยดีก้าก้าหน่อยก็คือเนี่ยอยู่ลองเป็นลองหยุดการปฏิบัติสักสักวันหนึ่งสักเออเขาเรียกว่าทดลองไงว่าต่อไปนี้จะไม่กําหนดรู้แล้วอยู่แบบหลงหลงลืมลืมอย่างเนี้ยลองดูดิเออมันเป็นยังไงมันต้องรู้อยู่แล้วอืมมันต้องทดลองนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาเรายึดหลักการมากเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีตัวเราเช่นตานตุลลา บ, บอกว่าเอาเมื่อเดินก็รู้อ่าแล้วก็เราก็ไปรู้คือไปเพ่งรู้ มันก็ผิดไงแต่ทีนี้ก็ลองสลับสลับการปฏิบัติบ้างก็คือว่าเอ อ, เ อ, อไม่ต้องไปกําหนดรู้หรอกลองดูสิสักวันนึงสักครึ่งวันไม่ต้องกําหนดรู้ว่ากายเดินหรือไม่ต้องกําหนดรู้อะไรหรอกแล้วดูสิว่ามันรู้ได้ไหมมันรู้ได้เพราะงั้นบางทีนะมันต้องก็เรียกว่าต้องมีพลิกแพลงในในในการปฏิบนะัติอพลิกแพลงอย่าย่ายายา อย่าเอาทําอะไรนะก็เรียกว่าพิกแพลงเพื่อทดลองเรื่องรู้นี่แหละอพิกแพลงเพื่อทดลองเรื่องรู้ก็จะรู้เองว่าเออมันรู้ได้เองอย่างสมมตุติหลวงพ่อจะคุยเรื่องความกลัวนะก็หลายคนบอกว่าไม่กลัวตายไม่กลัวไม่กลัวก็พูดถูกไงปัจจุบันมันยังไม่ยังไม่มีเหตุให้กลัวแล้วก็บอกว่าไม่กลัวก็พูดถูกถูกในปัจจุบันว่าไม่กลัวทีนี้ถ้าลองทําอย่างอื่นขึ้นมาดิเอาสมมุติว่ามีงูเข้ามา หรือมีคนไายถืออาวุธมาเนี่ยเดี๋ยวรู้เองไม่ต้องรอว่าไม่ต้องถามเคยว่ามันจะรู้ได้ไหมเวลากลัวเวลาตกใจอะพอมันเกิดเหตุแล้วมันมีอาการอะมันรู้ได้อยู่แล้วแล้วตรงนั้นแหละก็จะรู้เลยว่ากลัวหรือไม่กลัวหรือจะเป็นยังไงมันก็รู้หมดบางทีนะ่ยขณะปัจจุบันเนี่ยส่วนมากก็คือเหมือนกับว่าก็มันไม่มีสิ่งสิ่งนั้นให้ให้รู้ไงก็พูดไปว่าเออไม่ ไม่กลัวไม่ไม่กังวลนะไม่เสียใจมันก็ถูกไงเพราะตอนนี้ยังไม่มีให้รู้ไงแล้วก็รู้ได้ว่ายังไม่มียังไม่มีอาการนั้นให้รู้แต่ลองเกิดเหตุการณ์จริงตอนนั้นแหละก็จะรู้เองว่ามันจะเป็นอย่างไรเช่นสมมติว่าอ้าวสมมติพูดถึงเรื่องความความความตายเนาะเดี๋ยวเนี้เราปฏิบัติทำมะเราไม่ทุกข์แล้วเราไม่ เราไม่เป็นไรเราไม่เราไม่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นทศโศกเป็นอะไรแล้วประพูดได้แต่ลองญาติพี่น้องเสียสิแล้วลองอยู่ๆมีข่าวบอกว่าเนี่ยเนี่ยญาติเราสามีเราภรรยาเราถูกรถชนนูน่นตายคาที่อ่ะตรงนั้นแหละจะรู้เองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาในใจเอเห็นไหมมันรู้เองเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้กับการคิดคาดคานเอมันคนละเรื่องกันนะ วัะนั้นเนี่ยความจริงมันก็คือความจริงแหละแต่สิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่ความจริงเช่นคิดว่าไม่โศกเศร้าเสียใจคิดว่าเราไม่กลัวตายอันนี้คือคิดแต่เวลามันประสบจริงอะ่ะตรงนั้นแหละมันเป็นของจริงที่ไม่ใช่คิดคืออะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้เออเพราะฉะนั้นเรื่องรู้เนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ยากเลยแต่เรื่องของไอเ น, นี้ยที่พูดมามันเป็นการรู้ระดับเขาเรียกว่าระดับสติเนาะระดับธรรมชาติปกติ แต่ถ้าเรื่องของปัญญาเนี่ยมันมันอีกระดับหนึ่งใช่ไหมเพราะเรื่องรู้ที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ายังมีความเห็นไม่ถูกต้องมันก็ยังเป็นเรารู้อยู่ยังเป็นเรารู้เช่นเราได้ยินเราเห็นอ่าเรายังเป็นเราเราเราเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องฝึกถอดถอนความเป็นเราให้ได้ว่าจริงๆการรู้เนี่ยมันรู้เองอย่างธรรมชาติมันไม่ใช่เรารู้ ทีนี้เราก็มาทดสอบสิว่าเรารู้เรารู้เรารู้หรือว่ามันรู้เองเนี่ยก็เอาประสบการณ์เวลาเจ็บเราตั้งใจรู้ไหมถ้าเราไม่ตั้งใจรู้แสดงว่ามันรู้เองเวลาปวดเราตั้งใจรู้ไหมว่ามันปวดไม่ตั้งใจรู้ถ้าไม่ตั้งรู้ถ้าไม่ตั้งใจรู้แล้วมันรู้เองเราก็จะรู้หรือว่าอ๋อมันไม่ใช่เราเพราะไม่มีเราเข้าไปมีส่วนในการที่จะให้รู้ไงไม่มีเรา แล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจเองว่าทุกอย่างเกิดเองดับเองไอ้คำว่าเกิดเองดับเองนี่แหละมันจะทำให้เข้าใจว่าไม่มีเราหลวงพ่อนะออหลวงพ่อเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งมันก็แจ่มแจ้งดีเหมือนกันนะแจ่มแจ้งในเรื่องของความเป็นธรรมชาติอ่ะคือมันมีอยู่คราวหนึ่งเนาะหลวงพ่อซักซักสบงเนี่ยซักสบงแล้วหลวงพ่อก็เอาไปตากแล้วก็หลวงพ่อ ตากเสร็จหลวงพ่อก็ไปเดินจงกรมเนาะไปเดินฝึกสติแล้วก็พอกลับมาอีกทีหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปรักประมาณรักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงประมาณเนี้ยพอกลับมาดูอีกทีเฮ้ยผ้ามันเกือบแห้งแล้วอ่ะผ้าที่ตากไว้มันเกือบแห้งตรงเนี้ยมันเข้าใจเลยว่าไอความแห้งอ่ะนะหลวงพ่อไม่ได้ทําให้มันแห้งนะนะั่นอ่ะเออทําเพียงแค่เอาไปตากแต่มันแห้งเอง เนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดไอไลล์ตรงที่ว่าเข้าใจถึงความเป็นเองของความแห้งว่ามันแห้งเองเราไม่ได้ทำพอมันเข้าใจเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจเรื่องอื่นๆเขาเรียกว่าภายในขณะจิตเดียวอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่ยนะโอ้มันเหมือนกับผ้าแห้งมันเกิดเอง มันเกิดเองโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำให้มันเป็นพอเป็นอย่างนี้มันเข้าใจถึงความเป็นเองคือเข้าใจเรื่องธรรมชาติว่าไอ้ธรรมชาติที่มันเป็นเองนะอ๋อคืออย่างนี้คือเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเราไม่ได้ทำแต่มันเปลี่ยนสภาพเองหรือว่ามันเป็นเองโยมดูดิแค่เข้าใจเรื่องผ้าแห้งอ่ะมันสามารถเข้าใจเรื่องเรื่องความเป็นเองได้เลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นความเป็นเองของอนิจจัง ความเป็นเองของทุกขังความเป็นเองของอนัตตาเข้าใจเลยทีนี้ถ้าหลวงพ่อจะขยายความก็คือว่าอย่างชีวิตเราที่มันเป็นเองนับตั้งแต่เกิดเลยไอ้เกิดเนี่ยเราทาเกิดไหมละ่ะทุกคนตอบได้ว่าเราไม่ได้ทำเกิดแล้วมันเกิดเองแล้วเมื่อเกิดแล้วมันโตขึ้นเราทำให้โตไหมไม่มันก็โตเอง แล้วเมื่อโตแล้วเนี่ยมันมีอาการแบบป่วยบ้างไม่สบายบ้างปวดหัวตัวร้อนท้องเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประสบการณ์เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าเออที่เกิดมาเท่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันผ่านการป่วยการหายมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งถามว่าอาการเหล่านั้น่ะเราทำปเปล่าก็ไม่เลยทำมันเป็นเองปวดหายเองเป็นเองหายเองแล้วความแก่เนี่ยทีค่ความแก่ก็คือพวกเรารู้จักเนาะความแก่ก็คือเนี่ยหนังเหี่ยวผมหอ ง, งอก ตาโม่ข ว, วัญหักะอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแก่แล้วลองดูดีๆ ด, ดิว่าเราทำไม่แก่ไหมไม่มันเป็นเองแล้วรวมถึงต่อไปก็ความตายความตายคือหยุดลมหายใจไม่มีใครทำหรอกให้ตัวเองตายมีแต่ความเป็นเองไอความเป็นเองอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวตนเหตุที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่มีเราในความเป็นเองนั้น ทีนี้พอเข้าใจแค่เนี้ยมันกลับว่าโอ๊ยเมื่อก่อนเนี่ยมัวแต่ดูวงเล็กๆวงแคบๆแต่ตอนเนี้รู้กว้างขวางรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าในโลกเนี้ยสิ่งใดเกิดมาสิ่งใดปรากฏมามันเป็นเองแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วสุดท้ายมันก็ดับสลายเองเข้าใจเรื่องความเป็นเองแบบแบบพรึบเดียวเลยทีนี้พอเป็นเองเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือยอมรับสภาพยอมรับสภาพกับความเป็นเองว่าเราเนี่ย ไม่มีอำนาจไม่มีไม่มีฤทธิไ์ไม่มีเดช ท, ที่จะต้องไปจัดการความเป็นเองให้เป็นไปตามใจหวัง เ, ออเพราะนั้นได้แต่เห็นความเป็นเองรู้ความเป็นเองแล้ววิธีรู้ก็เหมือนกับรู้ไปรู้ผ้าแห้งนั่นแหละไปรู้ที่ตากผ้าแล้วมันแห้งเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แล้ววิธีรู้ก็คือรู้อย่างนี้ไงรู้แบบไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้อบผ้าแห้งเนี่ยรู้ว่าผ้าแห้งเนี่ยเพ่งตรงไหนไหมไม่ต้องเพ่ง แล้วต่อมามันเจ็บมันปวดมันปว่วยต้องเพ่งไหมล่ะไม่ต้องเพ่งเดี๋ยวรู้เองเวลามันแก่มันจะตายรู้ไหมรู้ไม่ต้องเพ่งรู้เองแค่นี้แหละก็จะเข้าใจเลยเรื่องวิธีปฏิบัติคือให้มันรู้เองแบบนี้รู้แบบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏและมันอยู่ภายใต้กฎเดียวกันหมดเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่อาจที่จะยับยั้งมันได้แล้วทุกวันนี้ยมลองไปพิจารณาดูนะที่ปฏิบัติเนี่ย มีการแทรกแซงมีการมีการที่จะให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะโยมดูเดีให้เป็นไปตามที่เราต้องการดูที่ว่ามันทําได้ไหมละ่ะทําไม่ได้แล้วรวมถึงนะถ้าดูไอ้ผู้ทำอ่ะไอ้ผู้ต้องการอ่ะมันเป็นอะไรผู้ต้องการมันก็เป็นสังขารเป็นแค่สิ่งเกิดจริงดับมันต้องการแค่บางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองมันไม่ได้ต้องการตลอดเวลาเวลาหลับมันก็ไม่ต้องการแล้ว แล้วเวลาไปทําอย่างโน้นทําอย่าง น, ون, างนี้มันก็ลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นความต้องการมันก็เป็นสังขารไม่เที่ยงมันก็ดับได้เหมือนกันแต่ทีนี้เวลาปฏิบัติเราไม่เห็นเราไม่ได้มองกลับมาที่ไอตัวอยากไอตัวต้องการไงก็เลยอยากความอยากก็มีอํานาจแล้วก็แบบเป็นตัวตนเป็นเราไปเลยแต่ถ้าดูผู้อยากดูดีๆไอผู้อยากจริงๆมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไปเลยเวลาอยากก็รู้แต่ไม่ต้องทําตามนะรู้ไม่ต้องทําตามเพราะบางอย่างทําตามแล้วมันเดือดร้อนก็เลยฝึกฝึกก็คือไม่ตามใจไม่ทําตามเดี๋ยวกําลังที่จะไม่ตามใจมันมากใช่ไหมไอ้ตัวอยากก็แถว ล, ลงแล้วก็สุดท้ายแห้งหมดตัวอยากก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลามันอยากอะไรเนี่ยก็คือก็เรียกว่าฝึกไม่ทําตามที่ผ่านมาเนี่ยเราทําตามหลายอย่างที่ว่าทําตามใจอ่ะ ทำทำใจเนี่ยดูเหมือนว่าเออถ้ามันสมใจหวังได้ตามใจนึกมันเป็นสุขแต่ต้องมองนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นไปตามใจนึกทุกครั้งหรอกมันจะต้องไม่ได้บ้างเพราะนั้นเมื่อหวังสิ่งใดไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ต้องหวังอะไรนะมันไม่ทุกข์เลยเพราะว่าจะไม่ผิดหวังไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดมันจะไม่ผิดหวังพอไม่ผิดหวังก็คือไม่เป็นทุกข์ เพราะฉนั้นที่เราเอาจริงเอาจังกับเรื่องราวในโลกโลกเนี้ยที่หวังหวังหวังหวังนั่นแหละเตรียมรอรับทุกข์ได้เลยอืเพราะไม่ได้เป็นไปตามใจหวังดําริได้คิดได้วางแผนได้ว่าจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่ไม่ต้องหวังว่าต้องได้ตามนั้นมันได้แค่ไหนมันได้อย่างไรก็คือแค่นั้นเนี่ยอันนี้พูดถึงชีวิตของคนทํางานแบบโลกโลกกันนะมันได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นทํางานรับราชการทํางานเป็นลูกจ้าง คิดได้ว่าเออปีนี้อาจจะได้สองขั้นคิดได้ ด, ไดํำริได้แต่อย่าไปหวังเอาเป็นเอาตายคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ทุกเนี่ยจริงๆร่งนะพวกเราเนี่ยเจอทุกมาเยอะแล้วแต่เราไม่รู้เหตุแห่งทุกเนาะไม่รู้เหตุแห่งทุกว่าที่ทุกอ่ะที่ทุกทางใจอะนะเพราะมีตัณหามีความอยากแล้วก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็เป็นเหตุให้ทุกแล้วก็เป็นทุกขแต่ถ้ารู้ว่าอ๋อมันอยากแล้ว ก็ละมันสิเออพราะเหตุแห่งทุกข์คืออยากเนาะมันอยากอะไรในทางที่เป็นกิเลสตนาอุปาทานเนี่ยรู้แล้วก็เพียรเพียรฝึกที่จะจะวางมันคือคือละความอยากอะ่ะจะเอาอะไรนักหนาชีวิตมันก็ตายใช่ไหมเออทําตามหน้าที่อะ่ะเหมือนเพลงที่หลวงพ่อเปิดอะ่ะตัวกูไม่มีมีแต่ความเมตตาปราณีเออมีแต่หน้าที่ก็ทําไปแค่นั้นแค่เนี้มีความสุขเปี่ยมล้นแล้ว มีความสุขสิเพราะว่ามันไม่มีความอยากให้เป็นทุกข์ลองฝึกนะลองฝึกให้กลับด้านจากที่เคยเคยเป็นมาถ้าไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็เข้าร่องของเ ข, ข้าร่องเดิมแล้วมันก็จะทุกข์อย่างเดิม